จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ย0สิบกรกฎาคมพุทธศักราช5 5 9เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระบร ม, มศาสนา พาาาระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าที่พวกเรามีความเคารพอากว่าบูชาได้ทรงบัญญัติให้พระเพิกษุอยู่ํำกับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้เดินทางไปค้างแรงที่อื่นถ้ามีกิจฉุกเฉินก็ไปได้ไม่เกิน เจ็ดวันเจ็ดคืนเช่นบิดามาดาคูวาจานเจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นที่จะต้องไปดูแลรักษาหรือกุติวิหารเกิดอาการชำรุดต้องไปหาวัสดุมาเพื่อมาซ่อมแซมก็ให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ก็ให้อยู่กับที่สามเดือนเนื่องจากว่าระยะนี้ช่วงนี้เป็นระยะฤดูฝนเป็นช่วงที่ชาวนาวชาวไร่ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆถ้ า, าพระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะเดินลัดทุ่งลัดนากันก็จะไปเหยียบต้นที่เขาเพิ่งปลูกใหม่ๆ เกิดวความเสียหายให้แก่ชาวนาวชาวไร่ชาวนาวชาวไร่เดือดร้อนก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทราบหลังจากที่ได้ทรงทราบก็เลยทรงบัญญัติการอยู่จำพรรษาให้กับพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพอถึงวันแรมหนึ่งค่ำเือนแปด ก็จะต้องอยู่จำพรรษากันตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้ไปเดินทางไปไหนมาไหนเพราะจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาชาวไร่และจะได้ใช้เวลาที่อยู่สามเดือนนี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่จึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธลา เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาพวกเราก็จะตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเราก็อาจจะตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าเราจะปฏิบัติอะไรเป็นกรณีพิเศษตลอดระยะเวลาสามเดือนเช่นถ้าเราเสพอบายามุข เช่นเดิมสุรายาเมาก็จะขอละเว้นเด่มสุรายาเมาตลอดระยะเวลาสามเดือนถ้าเล่นการพนันก็จะขอยุติงดการเล่นการพนันไว้สามเดือนถ้าเที่ยวกลางคืนก็จะของดการเที่ยวกลางคืนไว้สามเดือนอันนี้ถ้าเรามีจิตอธิษฐาน มีสัตว์จะเราก็จะสามารถทำสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีคือละสิ่งที่ไม่ดีเช่นอบายามุกต่างๆหรือจะถือศีลห้าตลอดทั้งปรรษาปกติอาจจะไม่ได้ถือศีลอาจจะถือเฉพาะวันพระแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้อยากจะทำสิ่งที่ดี ที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจก็จะสมาทานรักษาศี่ห้าให้ได้ทั้งพรรษาเพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศี่ห้านี้จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบาย hmm. เวลาที่เราตายไปถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสุรายามเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราไปเกิดที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นอยู่ที่การรักษาศีลห้านี้เวลาตายนี้บุญกับบาปที่เราทําไว้นี้ มันจะมาเป็นตัวที่จะดึงใจของเราให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางสอนดังนั้นเราจึงต้องมารักษาศีลห้ามาละบาปกันเพื่อที่เวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย แล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำบุญทําทานเช่นจะใส่บาตรทุกวันใส่วันละมากละน้อยก็ใส่ไปตามกำลังของเราถ้าไม่มีพระมาบินบาตเราก็สามารถใส่บาตรด้วยการเอาเงินที่เราจะซื้อของใส่บาตรนี้ ใส่ไว้ในกระปุกก็ได้แล้วเวลาวันที่เรามาวัดเราก็เอามาถวายให้กับวัดเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟไปเราก็จะได้ทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำเพราะว่ามันจะทำให้เรามีนิสัยชอบทำบุญถ้าเราไม่ทำบุญทุกวัน เราก็จะไม่คิดที่จะทำพอเวลาจะมาวัดมาทำบุญก็จะไม่มีเงินมาทำบุญเพราะเราจะเอาเงินทำบุญนี้ไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ไปซื้อของเล่นไปซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าเรามีการกาหนดมีการควบคุม มีการตั้งจิตตั้งใจว่าจะทำบุญทุกวันวันละห้าบาทสิบบาทก็ได้วันละบาทสองบาทก็ได้วันละร้อยสองร้อยก็ได้แล้วแต่กำลังของเราขอให้เราทำเพราะว่าถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำง่ายแล้วเวลาจะไปวัดเวลามีงานบุญเราก็จะได้มีเงินไปทำบุญ กอเราเอาเงินที่เราจะใส่บาตที่เราใส่กระปุกไว้นี้ไปทําบุญได้นี่คือสิ่งที่เราอาจจะตั้งสัจจะอธิษฐานกันในช่วงเข้าพรรษาว่าเราจะทําบุญเราจะละบาปบาปก็คือเราจะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรั พ, พ, พย์พระพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่เสพชรายาเมา บุญก็คือเราจะทำทานใส่บาตร <c oughs> แบกเสียสละแบ่งปันเงินทองที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น <c oughs> ถ้าเราทำได้สองข้อนี้เราก็จะไปสวรรค์อย่างแน่นอนนับหลอกได้เพราะบาปเราไม่ได้ทำมีแต่บุญบาปก็เลยไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปอบายมีแต่บุญที่จะดึงเราให้เรา ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆทำมาก็จะเป็นเทพชั้นสูงเช่นเปรียบเทียบเหมือนกับโรงแรมโรงแรมก็มีชั้นต่างๆมีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวถ้าจะอยู่โรงแรมห้าดาวก็ต้องจ่ายเงินมากกว่าโรงแรมสี่ดาวชั้นใดอยากจะเป็นเทพชั้นห้าดาวก็ต้องทําบุญมากกว่าเทพชั้นสี่ดาว มันอยู่ที่ปริมาณของจำนวนเงินที่เราทำกันทำมากใจจะมีความสุขมากไม่เชื่อลองดูระหว่างพันหนึ่งกับร้อยบาทเนี่ยเวลาทำจะมีความรู้สึกต่างกันบางทีทำร้อยหนึ่งจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยสะเทือนใจแต่พอทำสักพันหนึ่งรู้สึกว่ามันสะเทือนใจดีพอพอทำแล้วความสะเทือนใจมันกจ็จะกลายเป็นความสงบ กลายเป็นความสุขใจขึ้นมานี่คือบุญที่พวกเราอาจจะมาอธิษฐานจิตทำกันในช่วงเข้าพรรษาเพราะผลต่างๆคือความสุขความเจริญความทุกข์หรือความเสื่อมนี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากการกระทาของเรานี่แหละถ้าเราทำบาปใจเราจะต้องเสื่อมจะต้องกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นผีเป็นสัตว์นรกทั้งๆที่ทยังไม่ตายใจนี่เป็นผีไปแล้วเป็นสัตว์นรกไปแล้วเป็นเปรตไปแล้วเป็นเดรัจฉานไปแล้วถ้าทำบาปโดยหลงคิดว่าไม่บาปก็เป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี่เขาไม่คิดว่าบาปเวลาเขาจะขโมยข้าวของหรือเวลาจะกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาคิดว่ามันเป็นการ อยู่รอดเป็นการรักษาชีวิตคนที่ทําอาชีพฆ่าสัตว์ก็จะคิดแบบนั้นคิดว่าถ้าไม่ฆ่าสัตว์เราจะอยู่ได้อย่างไรอย่างวันก่อนมีคนถามว่าคนที่ก็มีอาชีพหาปูหาปลาแล้วเขาจะไม่ทําบาปได้อย่างไรก็ทําได้อาชีพอย่างอื่นมีต้องมากมายอาชีพพยาบาลอาชีพคนรับใช้ เป็นคนขวาถนนเป็นคนขับรถมีอะไรอาชีพอะไรต้องเยอะแยะที่เราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ทำบาปแต่เพราะเขาไม่กลัวบาปเขาไม่รู้ว่าเป็นบาปเขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วเขาจะต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้ารู้เขาก็จะเลิกทำถ้าเขาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แล้วทรงเอามาสั่งสอน เขาก็จะรู้ว่าการทำบาปแม้จะเป็นเพื่อการยังชีพก็ผิดเป็นบาปไม่มีข้อยกเว้นนอกจากการทำบาปโดยไม่มีเจตนาเช่นเป็นเหตุสุดวิสัยรถวิ่งมาตัดหน้าเรามองเราเบรไม่ทันหยุดไม่ได้หรือนอกบางทีมันบินมาชนรถเราอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ เราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจถ้าการฆ่าแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าไม่ได้เป็นบาปเป็นเรื่องของสุดวิสัยที่เราไม่มีความตั้งใจไม่มีคไม่มีความคิดอยู่ในใจว่าอยากจะฆ่าเขาเลยแต่ถ้าทำด้วยความตั้งใจอยากจะฆ่าหรือแมไม่ได้ฆ่าเองสั่งให้คนอื่นเ ข, าข้าฆ่าก็บาปเหมือนกันบาปเท่ากันเหมือนเราไปล้านอาหาร ปาเป็นปูเป็นแล้วก็ไปชี้เอาปลาตัวนี้นะเอาปูตัวนี้นะอย่างนี้เราไม่ได้ฆ่าแต่เราสั่งให้เขาฆ่ า, าอย่างนี้ก็บาปเหมือนกันเป็นเดรัฉานเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่อยากจะไปเป็นสุนัขไม่เป็นแมวไม่เป็นนกไม่เป็นลิงไม่เป็นสัตว์4ี่เท้าก็มารักษาศีลกันหาอาชีพที่สุดเจริญที่ไม่ต้องทาบาป ก, กัน นี่คือที่จะไปของผู้ที่ทำบาบด้วยความไม่รู้ใจขณะที่ยังอยู่กับร่างกายนี้ใจก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะใจทำบาบใจคิดเหมือนสัตว์เดรัจฉานมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจกับกายเป็นเดรัจฉานแล้วถ้าทำบาบด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากรวยเร็ว ก็เลยไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆ อ, อย่างนี้ก็จะไปเป็นเปรตแล้วพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวอดกลัวอยากกลัวจะถูกเข้ามาทำร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอย่างนี้ก็จะไปเป็นผีไปเป็นอสูรลกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นเช่นใครมา ทำให้เราเดือดร้อนเสียหายก็จะฆ่าเขาทำร้ายเขาอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดในไปตกนรกไปเป็นสัตว์นรกแล้วการฆ่านี้ก็มีหลายหลายระดับฆ่าคนที่เราไม่รู้จักกับฆ่าคนที่เรารู้จักนี้มีโทษต่างกันเช่นฆ่าคนที่เราเช่นขโมยมาขึ้นบ้านแล้วเราฆ่าเขา อย่างนี้ไม่บาปเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์นี้ท่านถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดเพราะพ่ อ, พอแม่มีคุณกับเราเป็นอย่างมากขโมยมันไม่มีคุณอะไรกับเราฉะนั้นโทษมันจึงไม่เท่ากันค่าสิ่งที่ไม่มีคุณนี้จะมีโทษน้อยกว่าค่าบุคคลที่มีพระคุณ พระคุณก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกบิดามานดาและพระสงฆ์คือความสามัคคีของสงฆ์ถ้าใครไปทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีอันนี้ถือว่าเป็นบาปหนักเป็นอนันตาริยกรรมมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งค่าพ่อสองค่าแม่สาม่าพระ อ, อรหรันต สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ถึงกับฆ่าเพียงแต่ทำให้ห่อเลือดทะนั้นก็บาปเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วการทำให้สงแตกแยกเพราะบุคคลทั้งห้าประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อสัตว์โลกไม่มีไม่มีโทษกับใครเลยบิดามารดาก็มีพระคุณกับลูกพระพุทธเจ้าผ้าหลันตสาวกพระสง ก็มีพระคุณต่อสัตว์โลกเพราะเป็นผู้ที่จะเอาธรรมะมาเผยแผ่เอามาสั่งสอนเพื่อจะได้พาให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราไปฆ่าบุคคลที่มีคุณประโยชน์นี้จึงเป็นโทษหนักฆ่าบุคคลที่ไม่มีประโยชน์นี้มีโทษแต่โทษน้อยเช่นเราไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจ แล้วเราต้องไปทำสงครามไปจับขโมยแล้วเกิดการต่อสู้กันถ้าฆ่าเขาบาปจะน้อยกว่าฆ่าคนที่เขาไม่ได้ทำความผิดนี่คือความแตกต่างน้ำหนักของการทำบาปนะเวลาทำแล้วใจนี้ไปแล้วไปนรกแล้วไปยังไงไปนรกคือใจร้อนใจทุกข์ ใจเครียดใจกลัวกลัวว่าจะต้องถูกไปจับเข้าคุกเข้าตารางกลัวว่าคนที่ถูกฆ่าญาติพี่น้องของเขาจะมาตามล้างแค้นใจก็อยู่ไม่เป็นสุขละนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำบาปผลที่เกิดจากการไม่รักษาสีลถ้าเราไม่อยากจะได้ผลเหล่านี้เรารักษาสีล ไม่ทำบาปแล้วผลเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเหมือนกัารปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้ชนิดใดเราก็จะได้ผลชนิดนั้นปลูกมะพร้าวก็จะได้มะพร้าวปลูกทุรียนก็จะได้ทุรียนปลูกข้าวก็จะได้ข้าวไม่ใช่ว่าปลูกข้าวแล้วจะได้ทุรียนมันเป็นไปไม่ได้มันขัดกับหลักความเป็นจริงหลักของเหตุของผล ทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าทำกรรมดีก็จะได้รับผลของการทำการทาความดีถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญให้ทานตายไปก็ไม่ไปอบายแต่ก็ไม่ไปสวรรค์เพราะไม่มีบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเดิมไม่ขาดทุนไม่กำไร ถ้าทำบาปตายไปก็ขาดทุนไปเกิดในอบายถ้าทำบุญแลรักษาศีลได้ก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะได้กำไรแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นพรแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อยากจะมีความสุขตลอดเวลาในระดับของสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ทาไมจึงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกัน เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขเวลาจากกันก็ร้องผอมร้องหา้าได้เงินมาก็ดีใจพอเงินหมดก็เดือดร้อนได้แฟนมาก็ดีใจเวลาแฟนจากไปก็เสีย อ, อกเสียใจให้เรามองถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้พอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไร พอเราไม่มีความอยากได้อะไรเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนี่คืออนิสงค์ของการทำบุญต่างๆของการละา บ, บาป ท, ที่พวกเราอาจจะมาคิด กระทำกันในช่วงเข้าพรรษานี้ทำบุญทำทานไม่ทำบาปนั่งสมาธิถือศีลแปดฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขกเก็บผ้าก็เป็นทุกข์รองเท้าก็เป็นทุกข์เสื้อผ้าก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่จําเป็นนี้อย่าไปอยากเอามาเอามาแล้วมันจะทุกข์ของที่จําเป็นนี้เอามาได้เช่นอาหาร เครื่องนุ่งห่มถ้าไม่มีถ้าขาดแคลนถ้ามีพอแล้วก็ไม่ให้เอามาเอามาก็จะเป็นทุกข์ไปเปล่าๆของจําเป็นเอาได้แต่ของไม่จําเป็นอย่าเอาเพราะมันจะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันได้ในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าเราอยากจะทำแล้วก็ขอให้เราตั้ง ตั้งอธิษฐานคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องตั้งใจตั้งตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเช่นพรรษานี้สามเดือนจะใส่บาตรทุกวันไม่ได้ใส่กับพระก็ใส่ไว้ในกระปุกก่อนพรรษานี้จะรักษาศีลทุกวันศีลห้าในวันธรรมดาศีลแปดในวันพระ สินแปจะได้ไปสวรรค์ชั้นโปรงสีนห้าเราไปสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์จะต้องจากเราไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็จะอยู่กับความสงบอยู่กับความ สุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่มีความ surgeon, ทุกข์ตามมาหลังจากที่เราตั้งใจแล้วเราก็ um. า ต, ต้องมีสัจจะคือความจริงใจตั้งใจแล้วจะทำอะไรต้องไม่โกหกตัวเองถ้าตั้งใจแล้วไม่ทำก็เหมือนกับโกหกตัวเองก็แสดงว่าไม่มีสัจจะเราต้องมีสัจจะก่อนที่เราตั้งใจจะทำอะไรเราต้องถามตัวเองว่าทำได้จริงๆหรือไม่อย่าโกหกตัวเองนะโกหกคนอื่นนี่ยัง ยังพอจะโกหกได้แต่โกหกตัวละเองนี่เรากโกหกไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเรากโกหกถ้าเราจะโกหกก็อย่าไปตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราจะตั้งจิตอธิษฐานนี่เราต้องแน่ใจว่าเราไม่โกหกแล้วเราต้องมีความเพียรเราต้องมีความขยันทําในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และต้องมีขันติมีความอดทนถ้าเรามีสี่ประการนี้ มีความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจมีความขยันมีความอดทนเราก็จะสามารถทําสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะทําได้เมื่อเราทําได้แล้วผลที่ดีต่างๆก็จะเกิดตามมาไม่ต้องไปอบายไปสวรรค์ชั้นเทศไปสวรรค์ชั้นถมไปสวรรค์ชั้นอริยเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นจากการที่เรามา ตั้งจิตตั้งใจกระทำสิ่งที่ดีต่างๆในช่วงเข้าพรรษานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการจำพรรษาเรื่องของการตั้งจิตตั้งใจทําสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจนาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความแค็คแกร่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะตามมาต่อไป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 multimodal film does <sighs> not dwarf worshipbird in Korea when Deutschland makes